ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาจารย์ัมมาสมุทรเจ้าพระองค์นั้นคมพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรัตติตาจารย์ชาวศรีลังการจนาก็าความต่อไปการพนา ถ, ถึงคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่อจะแสดงข้อความนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยกรุงสวัสี ประทับอยู่ณพระเฉตวันทรงแสดงอนุรอรุณวดีสูตรนี้ในอังคุตระนิกาติกนิบาทนะขอความละเอียดอยู่ที่นั่นในถามกลางบริษัทสี่ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะจึงกล่าวว่าอัภุกขตายาสัสสกุนาอนันตาติพุทธเขเ ต, เตกะดิวากโรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงมีพระคุณทั้งหลายอันหาที่สุดมิได้ฟุ้งไปแล้วว่า ตรงเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งเดียวในพุทธเขตทั้งสามพุทธเขตทั้งสามก็ได้แก่ชาติเติกข์หมื่นจักรวาลนนะชาติเข์แล้วก็อาณาเขตในกระแสจักรวาลวิสัยเขตนี่หาประมาณไม่ได้เลยไม่มีที่สุดในเรื่องนี้ดังที่กล่าวมานี้เปรียบเหมือนจิตรกรประสงค์จะเขียนภาพจิตรกรรมซึ่งประสงค์จะเขียนภาพจิตรกรรมพึงกระทาพื้น ให้เสมอให้สะอาดก่อนแล้วจึงเขียนภาพจิตรกรรมในภายหลังฉันใดพระพุทธรักษ์ตาจารย์ก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันประสงค์จะกล่าวพันนาณาอสสาธารณญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงวิสัยเขตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปแห่งพระญาณ น, นั้นบัดนี้เมื่อจะแสดงความเป็นไปแห่งพระญาณในวิสัยนั้นจึงกล่าวคําเป็นต้นว่า ชานาติโสโลกะมิมังปรันจะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นย่อมทรงทราบโลกนี้และโลกอื่นสัมพันธ์แห่งบทในบาทแห่งพระคถานั้นว่าได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นคำว่าชานาติย่อมทรงรู้คือย่อมทรงทราบด้วยพระยานที่ไม่ทั่วไปทั้งหกญาณก็คืออาสาทรณญญา คำว่าโศพระองค์นั้นอธิบายว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้ไม่ทั่วไปกับบุคคลอื่นทรงมีวิญยัตคือทรงทำให้ผู้อื่นเข้าใจทรงมีปาฏิหารทรงมีความสืบต่อแห่งพระนามกายและความเกิดขึ้นแห่งรู ป, ปกายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นมหาบุรุษคำว่าโลกะมิมังปรัญจะโลกนี้และโลกอื่น อธิบายว่าพระพุทธเจ้าย่อมทรงทราบจักรวาลอันหาที่สุดมิได้กำหนดประมาณมิได้นอกจากนั้นคือภูมิสามที่กำหนดด้วยภูเขาจักรวาลโลกหนึ่งนี้และโลกอื่นคือจักรวาลทั้งสิน้นพระพุทธรักขิตาจารย์ครั้นแสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบโอกาสโลกแม้จำสิ้นด้วยคานี้แล้ว บัดนี้เพื่อจะแสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบสัตว์และสังขารที่มีอยู่ในโอกาสนั้นจึงกล่าวคําว่าสเจตา น, นเจวะอะเจตา น, นจะสิ่งที่มีเจตนาและสิ่งที่ไม่มีเจตนาในคําเหล่านั้นคําว่าสเจตานังสิ่งที่มีเจตนาได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบกายที่มีอินทรีย์ คือหมู่สัตว์ที่ถูกเรียกว่ามนุษย์เทวดายักษ์เปรตเป็นต้นคําว่าอาเจตนาสิ่งที่ไม่มีเจตนาคือพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบกายที่ไม่มีอินทรีย์อันเว้นจากเจตนาซึ่งถูกเรียกว่าแผ่นดินภูเขาเป็นต้นพระพุทธรักษ์ตาจารย์ครั้นแสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบโลกคือสัตว์และสังขาร ที่ประกอบด้วยบัญญัติด้วยคำนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงว่าลักษณะแห่งการเรียกสัตว์แะสังขารนั้นแม้ปรมัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็ทรงทราบจึงกล่าวว่าสกัสสะสันตานะคตังปรปเรสังที่มีอยู่ในสันดานของพระองค์และที่มีอยู่ในสันดานของชนลาวอื่นพระพุทธรักขิตาจารย์ย่อมแสดงว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบธาตุดินและภัาษาเป็นต้นที่มีอยู่ในสันดานของพระองค์ธาตุดินและภัาษาเป็นต้นที่มีอยู่ในสันดานของผู้อื่นและประมาจารย์ทั้งปวงในเรื่องนี้มีอธิบายดังต่อไปนี้โอกาสโลกคือวิสัยเขตและบัญญัติโลกคือสัตว์สังขารที่มีอยู่ในโอกาสนั้นอันใด ที่ถูกเรียกขานด้วยบัญญัตินั้นโลกนั้นและประมาภะโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบดาบททั้งหลายเช่นกาละเทวินดาบทและนารัธาดาบทแม้จะทราบอาดีตและอนาคตก็ย่อมทราบว่าในอดีตจัตดนี้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้มีผิวพันธุ์อย่างนี้มีอาหารอย่างนี้เศรษฐกิและทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ย่อมทราบว่าแม้ในอนาคต สัตว์นี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแลแต่ย่อมไม่ทราบโดยประมาติว่าธรรมดาว่าสัตว์เห็นป่า น, นี้เป็นกองธรรมมีธาตุดินและภาษาเป็นต้นย่อมทราบเท่านี้เท่านั้นว่าแม้สังขารที่เป็นภูเขาที่เป็นต้นไม้เห็นป่า น, นี้ได้มีแล้วในที่โน้นในกับนูน้นในอดีตแต่ย่อมไม่ทราบโดยปรมาติว่าอันภูเขาอันต้นไม้เป็นเพียงหมู่แห่งธรรมแปดประการ คืออาวินิพกครูปอันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชะส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบสัตว์และสังขารเหล่านั้นตามการเรียกขานที่ใช้กันในโลกย่อมทรงทราบแม้โดยอนนานาจแห่งปรมัติ์น้าบททั้งหลายเลยสี่สิบกลับไปย่อมไม่ทราบส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบข้อนั้นตามที่เป็นโลกียบัญญัติ และด้วยอำนาจแห่งปรมัตน์ว่าในอดีตมีแล้วในระยะเวลาเท่าใดในอนาคตจะมีในระยะเวลาเท่าใดพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบหาที่สุดม่ได้หาประมาณมิได้แม้ในอดีตแม้ในอนาคตพระดาบททั้งหลายก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีเห็นสัตว์ผู้หนึ่งด้วยจักสุหรือได้ฟังชื่อของสัตว์นั้นในปัจจุบัน ย่อมทราบตั้งแต่ชาติปัจจุบันไปตามลำดับชาติว่าผู้นั้นเป็นเช่นไรในอดีตส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบตามเป็นจริงโดยขณะซึ่งสัตว์ที่เกิดในอสงไขยกับอันกําหนดประมาณมิได้เว้นตามลำดับคือไม่ต้องรู้ไปตามลำดับสําหรับรพระพุทธเจ้าอนาคตก็เหมือนกันเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอันท่านพระพุทธรคิตาอาจารย์จึงได้กล่าวว่า ชานาติโสโลกะมิมังปรัญจะพระผู้มีพระภาคเจ้า พ, พระองค์นั้นย่อมทรงทราบโลกนี้และโลกอื่นบัดนี้เพื่อจะแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เมื่อทรงทราบโลกสามอย่างนี้ย่อมทรงทราบเฉพาะสิ่งที่มีอยู่หาไม่ได้แต่ย่อมทรงทราบสิ่งที่ดับไปแล้วและสิ่งที่จะพึงมีจึงกล่าวว่าพยตีตมัปปตกรม ปัตตะกะมะกามัตระผูตังพยาตีตะมะปัปปะตตะกะมัตระผูตังที่ล่วงไปแล้วที่ยังมาไม่ถึงอันมีอยู่ในบัตรนี้ก็คือทั้งสามการนั่นเองในคำเหล่านั้นคำว่าพยาตีตังที่ล่วงไปแล้วคือที่ใช้ถอยผ่านไปแล้วคำว่าอปัตตะกังที่ยังมาไม่ถึงคือที่เป็นอนาคต คำว่าอัตราภูตังที่มีอยู่ในบัตรนี้คือที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เองท่านพระพุทธรคิตอาจารย์ย่อมแสดงอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยคำนี้อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบโลกนี้และโลกอื่นที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันสิ่งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนาสิ่งที่มีในสันดานของพระองค์และสิ่งที่มีอยู่ในสันดานของผู้อื่น ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงมีปัญญากล้าแข็งเล่นไปในวิสัยอันมีอย่างนี้ที่เป็นอนาคตปัจจุบันและอดีตพระคุณทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลอันบุคคลผู้มีใจเข้าถึงโพธิพึงระลึกถึงเป็นนิดทั้งกลางคืนและกลางวันก็คือใครที่มีความใคร่ผู้มีใจใครในการที่จะตักรู้หมายถึงพระอริยสาวก และกัลยาณ์น er mm ักปุถุชนผู้มีปัญญาอย่างรู้ในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยควรที่จะระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิสทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันด้วยก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงมีปัญญากล้าแข็งแล่นไปในวิสัยอันมีอย่างนี้ที่เป็นอนาคตปัจจุบันและอดีตพระคุณทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแหล อันบุคคลผู้มีใจเข้าถึงโพธิพึงบูชาเป็นนิธทั้งกลางคืนและกลางวันก็พระผู้มีพระพเาจา้าพระองค์ใดต้องมีปัญญากล้าแข็งแล่นไปในวิสัยอันมีอย่างนี้ที่เป็นอนาคตปัจจุบันและอดีตพระคุณทั้งหลายของพระผู้มีพระภพเาจา้าพระองค์นั้นแหลอันบุคคลผู้มีใจเข้าถึงโพธิพึงกราบไหว้เป็นนิธทั้งกลางคืนและกลางวัน พระพุทธคุณเหล่านั้นอันบุคคลผู้เกิดแล้วในโลก <_: S 1> เห็นแสงสว่างของพระพุทธเจ้าปรารถนาแสงสว่างนั้นพึงเชื่อถือพระพุทธคุณเหล่านั้นอันบุคคลพึงระลึกถึงพระพุทธคุณเหล่านั้นอันบุคคลนั้นพึงกราบไหว้พระพุทธคุณเหล่านั้นอันบุคคล น, นั้นพึงบูชาบุคคลผู้มีความเลื่อมใสในพระธรรมตรยัยมีใจน้อมไปในการบริจาค ด้วยการเกื้อกูลต่อชุมชนทราบว่าชาวโลกมีศรัทธาเป็นอย่างยิ่งพึงเป็นผู้ประกอบด้วยคุณมิใช่น้อยมีศรัทธาเป็นต้นการพรรณนาพุทธเขตสาในคำพีชินารังการะที่ให้ความเพลิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประการชนิ้ต่อไปก็จะเป็นการพรณ น, นาอาสาธารณญาณ ญาณที่ไม่สารณะทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นมีพระสาวกเป็นต้นพระพุทธรกษีตาจารย์ครั้นแสดงการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระญาณเล่นไปในธรรมทั้งปวงไม่มีอะไรขัดขวางอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงความไม่มีบุคคลอื่นผู้เช่นนั้นในโลกจึงกล่าวว่าในหมู่สัตว์อันหาประมาณมีได้ ในโลกธาตุอันหาประมาณมิได้สัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงที่จะเสมอด้วยพระตถาคตนั้นแม้สักบุคคลเดียวย่อมไม่มีในคาถานั้นมีอธิบายว่าในหมู่สัตว์อันหาที่สุดมิได้ในโลกธาตุแต่และโลกธาตุในอนันตโลกธาตุทั้งหลายบุคคลแม้คนหนึ่งที่จะเสมอด้วยพระตถาคตนั้นย่อมไม่มี หากจะถามว่าก็ถ้าว่าบุคคลคนหนึ่งที่จะเสมอไม่พึงมีไซส์สัตว์ทั้งปวงรวมกันแล้วที่จะเป็นผู้เสมอน่าจะพึงมีคนเดียวจะเสมอพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะนั้นเอาหลายๆคนมารวมกันก็นแล้วกันเผื่อจะเสมอบ้างตอบว่าแม้อย่างนั้นก็ย่อมไม่มีคือสัตว์ทั้งปวงแม้จะรวมกันแล้วก็ยังไม่เสมอด้วยพระตถาคตพระองค์เดียวนี้ พระพุทธรักขิตาจารย์ครั้นแสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสามารถอยู่เหนือโลกทั้งปวงโดยสังเขตอย่างนี้แล้วัตรนี้เมื่อจะแสดงเรื่องนั้นให้ปรากฏจึงกล่าวว่าจักรวาลทั้งหลายในทิศทั้งหลายมีทิศ ต, ตะวันออกเป็นต้นกำหนดประมาณมิได้แม้ด้วยการนับจำนวนพันเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายและพรหมทั้งหลายเหล่าใดในจักรวาลเหล่านั้น เทวดามนุษย์และพรมเหล่านั้นมาประชมุมปรึกษากันในสถานที่แห่งเดียวกันก็ยังไม่ถึงความที่ทำทั้งหลายมีนามรูปที่มาในการอันหาเบื้องต้นมิได้ซึ่งเป็นไปโดยความเป็นเหตุเป็นผลคือปฏิจจุบาทนั่นเองตามเป็นจริงความมีภาวะในภาวะนั้นจะพากันเข้าไปตู่วิปะาะต่าง ก็คือตับภาวะนะความเป็นความมีภาวะในภาวะนั้นไม่สามารถจะกล่าวความเป็นไปแห่งกรรมและความเป็นไปแห่งผลความเป็นอันเดียวกันก็คือเอกัตนัในความต่างกันคือนานัตนัในความไม่มีความขวนขวายก็คืออัพยป า, าระในนั่นเองนิรีหะ ธรรมตังอพยาปารไนแล้วก็ทางที่มีความปลอดภัยก็คืออริมัตที่ทำให้ถึงพระนิพพานเพราะปิดบังด้วยวินยัตปิดบังด้วยวินยัตก็คือความเป็นไปของอริโยบตนั่นเองปิดบังทุกความสืบต่อคือสัน ต, ติก็ปิดบังอนิจจังแล้วก็ความเป็นก้อนคือคณะก็ปิดบังอนัตตา ในกระถาเหล่านั้นเฉพาะคาถาต้นมีอธิบายว่าจั ก, กรวาลทั้งหลายในที่สาภาคแต่ละภาคมีทิศสาภาพก็คือภาคตะวัอนออกเป็นต้นเหล่าใดจั ก, กรวาลเหล่านั้นได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นจั ก, กรวาลเหล่านั้นกําหนดประมาณมิได้แม้ด้วยการนับจํานวนพันด้วยอำนาจข้ออุปมา แม้ในทิที่เหลือก็กําหนดประมาณมิได้เช่นกันมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายและพรหมทั้งหลายมาประชุมร่วมกันปรึกษากันคิดกันกล่าวกันในแต่ละจักรวาลในบรรดาจักรวาลทั้งหลายอันหาประมาณมิได้ดังกล่ามานี้ก็ยังไม่สามารถจะทราบแม้เรื่องหนึ่งในสี่เรื่องที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าสั จ, จสัตโตปฏิสันติปัจญการะเนวจะจั ดุดดาสาจัตุโรธรรมาเดเสตุนจสุจส ด, ดุกราก็แปลว่าทำสี่อย่างคือสัจจะแล้วก็สัตว์ปฏิสนธิแล้วก็ปัจจัยาการเห็นได้ยากการที่จะแสดงก็กระทําได้ยากสี่เรื่องนี้เป็นถึงที่เห็นได้ยากด้วยแล้วก็แสดงได้ยากด้วยก็คืออริ ย, ย, ยสัจสีรร่อย่างหนึง่งสัจตัวบัญญัติอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิสนธิอย่างหนึง่ง แล้วก็ปัจจัยาการอย่างหนึ่งสัตว์วัญญตินี่ก็หมายถึงว่าการที่รู้ว่าสัตว์นั้นเป็นเพียงบัญญติแต่ปรมาทแท้์นั้นคืออะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงได้ยากเราก็ทันตลอดได้ยากเหมือนกันจะทบทวนคาถาที่แสดงเมื่อครู่นี้หน่อยหนึ่งนะก็คือจกักรวาลทั้งหลายในทิตทั้งหลายเนี่ยมีที่ตนออกเป็นต้นกําหนดประมาณไม่ได้แม้ด้วยการนับจํานวนพัน จักรวัล น, นี้นับไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นอนันตะเทะวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายและพรหมทั้งหลายเหล่าใดในจักรวาลเหล่านั้นเทวดามนุษย์และพรหมเหล่านั้นมาประชุมกันในสถานที่แห่งเดียวกันก็ยังไม่ถึงความที่ทําทั้งหลายมีนามรูปที่มาในการอันหาเบื้องต้นมีได้ซึ่งเป็นไปโดยความเป็นเหตุเป็นผลก็คือความสืบเนื่องกันเป็นปฏิจจุบาทเนี่นะ ศาสตึงหลายในจกักรวาลเหล่านั้นมาประชุมกันเราก็จะมารู้เหตุผลเหล่านี้ตามความเป็นจริงความมีภาวะในภาวะนั้นก็ไม่รู้นะจะเข้าไปถูวิปปาาต่างๆก็คือถึงความวิปปาาด้วยไม่ใช่สัพพัญญูไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถจะกล่าวความเป็นไปแห่งกรรมจะไม่รู้หรอกเรื่องของกรรมของใครเป็นไปอย่างไรแล้วก็ความเป็นไปแห่งผลนะกรรมและผลของกรรมก็ปฏิจจุบารสมาแล้ว แล้วก็ความเป็นเอกัตนายความเป็นอย่างเดียวกันของปฏิจจุบาทหรือว่านานัตนายความเป็นต่างๆกันของปฏิจจุบาทนั้นหรือว่าอัพยาปาละในความที่ไม่มีการขวนขวายต่อกันแล้วก็อริยมรรคทางเนี่ยที่เป็นอริยมรรคทาให้ถึงความปลอดภัยคือพระนิพพานเพราะว่าถูกปิดบังไว้ด้วยธรรมะสามอย่างก็คือธรรมดาแล้วอยรีบทปิดบังทุกนะแต่ในที่นี้ท่านจะแสดงว่าวิญยัตปิดบังทุก ความสืบต่อก็คือสันตติปิดบังอ น, นิจจังแล้วก็ความก้อนคณะหรือว่าคณะสัญญาเนี่ยก็ปิดบังอ น, นัตตา น, นี่ทางก็แสดงเป็นคาถาไว้ต่อไปก็จะเป็นการอธิบายถามว่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุไรว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาประชุมกันปรึกษาหารือกันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะสิ่อย่างนี้คือสัจจะสัตวะบัญญัติแล้วก็ปฏิรุธิปัจจัยการเนี่ยก็ตอบว่า เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสาระนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชาเป็นเครื่องกลางกัน้นคือเป็นนิวรณ น, นะเป็นเป็นสภาพที่วนเวียนท่องเที่ยวไปเป็นผู้ที่ท่องเที่ยววนเวียนไปและว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่ฐานะมิใช่โอกาส ที่อวิชานี้นั้นได้มีแล้วนับตั้งแต่นี้ย่อมไม่มีในก่อนแต่นี้ดังนั้นที่สุทั้งหลายเราจึงยังไม่พิจรารณาเห็นนิมิตหมายนั้นย่อมไม่มีเหตุเช่นนั้นคือทาเหล่านี้ถือเอาองค์แห่งปฏิจจทุบาร์สิบสองข้อมีอวิชชาเป็นต้นข้อใดข้อหนึ่งตั้งแต่นี้ไปเกิดขึ้นทาเหล่านั้นไม่ได้มีแล้วในก่อนแต่นั้นดังนี้ เพราะเบื้องต้นและทีุ่ดไม่มีนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าทิศตดทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เพราะไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอย่างนี้เทวดามนุษย์และพรหมทั้งหลายประชุมปรึกษากันก็ยังไม่ถึงความที่ธรรมทั้งหลายที่มีนามมีรูปอันมาอยู่โดยการสืบต่อแห่งการเกิดขึ้นในการอันไม่มีเบื้องต้น ซึ่งมีความเป็นไปอยู่โดยความเป็นเหตุเป็นผลตามเป็นจริงเพระเหตุนั้นภาวะแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าตับภาวะความเป็นไปแห่งธรรมทั้งหลายนะเป็นปฏิจจทุบาทนั่นเองสืบเนื่องมาแต่งแต่อดีตตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็ไม่แสดงด้วยได้แก่ภาวะแห่งปัจจยธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้น ความมีในตับภาวะชื่อตับภาวะภาวีภาวะแห่งตับภาวะภาวีนั้นชื่อว่าตับภาวะภาวิตตังคำว่าภาวิตตังมีภาวะหมายถึงความมีคืออาการได้แก่อาการที่เกิดขึ้นแห่งผลท่านกล่าวอธิบายไว้ดังนี้ย่อมท่านกล่าวอธิบายไว้ดังนี้ผลย่อมมีพร้อมด้วยเพียงมีเหตุ ก็คือผลย่อมมีก็เพราะว่ามีเหตุนั่นเองความไม่มีความเพียรแห่งธรรมที่เป็นเหตุว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นย่อมไม่มีอธิบายว่าธรรมที่เป็นจริงเพราะความที่เป็นโลกธรรมโดยเป็นสภาวะในโลกในสงสารที่ไม่ปรากฏเบื้องต้นสมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเพราะอาศัยตาและรูปทั้งหลายจากขูวิญญาณจึงเกิด ความประวบแผงธรรมสามประการเป็นภัสสะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดอันนี้ก็ความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยไม่ได้มีความพยายามอะไรต่อกันก็คือไม่ได้มีการชักชวนกันและกันเมื่อถึงพร้อมด้วยปัจจัยธรรมะคือผลก็เกิดขึ้นในเรื่องนั้นตาและรูปทั้งหลายย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเพราะความสามัคคีของเราทั้งหลายจะ ก, กุญญาจึงเกิดขึ้น จักกุญญาณย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าโอหนอเพราะความสามัคคีแห่งตาและรูปทั้งหลายเราจึงเกิดขึ้นที่แท้แต่สิ่งนี้นั้นเป็นธรรมดาเพราะความสามัคคีแห่งตารูปแสงสว่างและมนัิการจักกุญญาณจึงเกิดขึ้นพระอัจริยอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่ากฎนิยามที่พึงทราบมีห้าอย่างคืออุตุนิยามทีชนิยามกรรมมนิยาม ธรรมนิยามและจิตตานิยามนิยามนี้ก็หมายถึงว่าความกําหนดแน่นอนนะมีห้าอย่างด้วยกันก็คืออันแรกก็เป็น อ, อ er. ุตุนิยามอันที่สองพิชานิยามก็เป็นเรื่องของกําหนดแน่นอนของพืชทั้งหลายอุตุนิยามก็กําหนดแน่นอนของฤดูธาตุไฟอุตุอันที่สามก็กรรมานิยามกําหนดแน่นอนก็คือกรรมอันที่สี่ธรรมานิยามกําหนดแน่นอนแห่งธรรมะแล้วก็อันที่ห้าก็จิตตานิยามกําหนดแน่นอนแน่นอนแห่งจิตนะ จิตอะไรเกิดก่อนจิตอะไรเกิดหลังนี้ก็เป็นไปตามนิยามของจิตด้วยขายฐานี้ท่านแสดงการที่นามรูปทั้งหลายเกิดจากนามรูปทั้งหลายนั่นเองท่านมิได้แสดงการที่นามรูปทั้งหลายเกิดเพราะเหตุอื่นมีการเนรมิตโดยเท้าวสวรรดีเทพและพรหมเป็นต้นมิได้แสดงการที่นามรูปทั้งหลายเกิดเพราะเหตุแห่งสัตว์หรือแห่งบุคคลเป็นต้นเปรียบเหมือนในโลก เม็ดมะม่วงย่อมถึงพร้อมย่อมสําเร็จจากเม็ดมะม่วงเท่านั้นเมสดาย่อมมีจากเมสดาเท่านั้นเมสดาย่อมไม่มีจากเม็ดมะม่วงหรือเม็ดมะม่วงย่อมไม่มีจากเมสดาวจิงอย่างนั้นเม็ดมะม่วงที่ตกบนดินร่วนแห่งใดแห่งหนึ่งพราะได้น้ําครั้นได้รับปุ๋ยในดินและรดจากน้ําย่อมแทงหน่อขึ้นมาหน่อมะม่วงนั้นเจริญเติบโตแล้ว ตกผลมะม่วงเกิดเป็นเม็ดมะม่วงฉันใดนามรูปทั้งหลายก็อ ย, ย่อมสําเร็จจากนามรูปทั้งหลายเท่านั้นฉันนั้นลําดับนั้นพระประวาทยาจาร์กล่าวว่าพระประาทญาจารย์ก็หมายถึงว่าอาจารย์ฝ่ายอื่นผู้ที่ชอบโจมตีหรือว่าผู้ที่เป็นฝ่ายอื่นนะมีลัทธิวาทาอื่นก็กล่าวว่า ท่านให้สำเร็จคำพูดว่านามรูปทั้งหลายย่อมสำเร็จจากนามรูปทั้งหลายเท่านั้นคำของท่านพึงเป็นความจริงตามติของท่านนั่นแลนามรูปคือบุตรเกิดขึ้นในเมื่อนามรูปทั้งหลายที่รู้จักกันว่าหญิงและชายเกี่ยวข้องกันก็คือผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละควรที่จะกล่าวว่านามรูปทั้งหลายย่อมสาเร็จจากนามรูปทั้งหลายเท่านั้น สัตว์ทั้งหลายที่มีวิญญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะความเกี่ยวข้องกันนั้นของสัตว์ทั้งหลายผู้มีวิญญาณต้นไม้เป็นต้นซึ่งไม่มีวิญญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะความเกี่ยวข้องกันแห่งดินน้ำและเม็ดพืชที่ไม่มีวิญญาณจะพูดถึงอะไรด้วยเหตุอื่นมีกรรมเป็นต้นเรื่องที่กล่าวนั้นไม่สมควรเพราะยังมีสังเสรชฐะสัตต์และโอปปาติกะสัตว์เทวดามนุษย์และพรหมทั้งหลาย ก็ยังไม่ถึงความมีภาวะในภาวะนั้นอย่างนี้คือไม่ถึงได้แก่ไม่อาจจะรู้ด้วยยามแต่จะพากันเข้าไปตุวิปปาราต่างๆคือจะพากันเข้าไปได้แก่เข้าไปอย่างสนิทเข้าไปซ้ําแล้วซ้ําอีกอยังวิปปาราสิสองประการวิปปาราสิบสองประการก็ได้แก่อันที่หนึ่งสัญญาวิปปาราในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง ข้อที่สองจิตตวิปปาราสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงญญนะอันที่สามทิฏฐิวิปรราปรารสญญาส ใ, ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมันก็สัญญาสามประการนะขอโทษวิปปาราสสามประการก็คือสัญญาวิปปาราสจิตตวิปปาราสแล้วก็ทิฏฐิวิปปาราสในวัตถุแรกก็คือในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงก่อนข้อที่สี่ก็คือสัญญาวิปปาราสจําผิดในสิ่งที่ไม่ใช่สุขว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเอง ข้อที 5, alive, kommt, mond, rat, i, uki, dumpling, ่ห <ch> ้าจิตตวิปปราชิดผิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอธิหกทิฏฐิวิปปราชความเห็นผิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขข้อที่เจ็สัญญาวิปปราชีจำผิดในสิ่งที่ไม่งามว่างามข้อที่แปดจิตตวิปปราชคิดผิดในสิ่งที่ไม่งามว่างามข้อที่เก้าทิฏฐิวิปปราชวามเห็นผิดในสิ่งที่ไม่งามว่างาม ข้อทสิบสัญญาวิปปาราความจําผิดในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนในสิ่งที่อนัตตาว่าเป็นอัตตาข้อที่สิบเอดจิตตวิปปาราก็คือคิดผิดในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาข้อที่สิบสองก็คือทิฏฐิวิปปาราในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาวิปปาราจิตตวิปปาราทิฏฐิวิปปาราเป็นวิปปาราสามอย่างสัญญาจิตแล้ก็ทิฏฐิ ในวัตถุสี่ก็คือในสิ่งที่ไม่เที่ยวว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในสิ่งที่ไม่งามว่างามแล้วก็ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาออันนี้ก็เ่็นเรื่องของวิปรราัาสซึ่งพระวาทิยาจารย์นี้ก็มากล่าวคัดค้านนะว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดจากพ่อแม่นี่เกี่ยวกับกรรมก็เข้าถึงความเป็นวิปัาสนะต่อไปก็จะพูดถึง การปิดบังลักษณะทั้งสามนะด้วยปฏิจจสุบาทเนี่ยนะการมองเห็นปฏิจจสุบาทแต่ว่าไม่เข้าใจทั้งตลอดก็ปิดบังอ น, นิจจาลักษณะทุกขนะลักษณะนะัตตลักษณะด้วยอริบทนะแต่ในที่นี้ก็แสดงเรื่องของวิญญัตแล้วก็สันติแล้วก็คณะนะความเป็นกลุ่มนะซึ่งจะไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธา ในพระรัตนตรัยก็ขอให้ได้อบรมศรัทธาปีติประโมทเป็นไปเพื่อไตรสิกขาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมนำตนให้พ้นจากวัตฏทุกโดยทั่วการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ